ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนมีนาคมสองพันรอยสามสิบสี่เราคืนนี้ได้แนะนำนิดดีลาการประกรรมฐานหังว่าญาติโยมที่ฟังแล้วคงไม่ลืมใช่ไหมขอย้าอีกนิดหนึ่งอันดับแรกใช้อนาปานุสิกกรรมฐานที่กกำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกก็นด้ที่ไม่ได้นะ อนนาณาบานสติที่ทิ้งไม่ได้ยังเป็นผ้หันถึงผ้ารหันแล้วก็ยังต้องใช้ทุกวันไม่ใช่ว่าจะใช้เฉพาะเวลาพระ้าหันไห้ใช้ตลอดวันเราไมใ่ใจเขาอ่อกทินะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือบรณานสติกรรมฐานพระ้าหันใช้ทุกวันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ใช้เพราะเขอาจจะไมใช้ทิ่งไม่ได้อย่านึกว่าการเป็นผ้าหันแล้วไม่ต้องทําอะไรทั้งหมด ไม่ใชเรื่องของคนขี้เกียจใช่ไมเรียนจบไปแล้วต้องทําอะไรก็เปล่าอ่ะนะต้องทำทุกวันใช่ไหมไอ้เครื่องบินเนี่ยตอนหัดขีด้เลยใช่ไหมหลักตาจิตถูกใช่ไมมันเหมือนกันต้องกล้องตัวอย่างก็สมัยหนึ่งมีพระทะี่มาเรีนกรรมฐานกับพุทธเจ้าพรับบทใหม่ ม, ทะทะมาเรีนกรรมฐานเสร็จพระุทธเจ้ามาสอนโดยย่อตั้งแต่ต้นยันอรหรันต์ความจริงแล้วนิมสอนก็ไม่มาก พระเจ้าสอนทำไมมาเท่สอนเฉพาะจุดของคนคนนี้มีบุญขนาดไหนบุญอะไรใหญ่แล้วจะทำยังไงจะสำเร็ จ, จ, จ, จมาโกรธใช่ไหมท่านสอนเฉ <c oughs> พาะจุดก็ <c oughs> ง่ายในเมื่อพระฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างคนต่างลายจะเข้าปาา่านี่สาคัญมา ก, า ก, าากาามต่าใจรม่ไปกายยืเวทใครสงัดไม่มีใครยุง่งเมื่อกายยืเวทเกิดขึ้นแล้วก็กเกิดจิตวิเวท คือจิตเนสมาธิและเป็อุปธิวิเว ก, กเจะสะระคิเลตเกล็ดหายไปในเมื่อพระลายเขาจะเข้าฝ่าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอเวลาภาษาดีบทอะยังแต่ความจริงพระพุทธเจ้ากับภาษาดีบทเป็นอะไนักกันแต่ว่าพาระเจ้าทรงทราบว่าถ้าพระเป็นลาภาษานีบทภาษาดีบทจะพูดว่าอย่างไรถ้าก็บอกว่ายังถ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจึงเป็นลาภาษานีบทก่อน ในเมื่อพะพุทธเจ้าแนะนําพระกับเวลาภาษาดิบุตรภาษาดีบุตรก็แนะนํำในการปฏิบัติตัตะต้นยันยันอรหรันต์ต่อมาบรรดาพระผู้นั้นก็ถามว่าเวลานี้พวกผมเป็นบุตรชนถ้าต้องการเป็นระโสดาบันจะทำยังไงขอรับท่านก็บอกว่าตัดตัวเดียวคือส ก, กายยทิพิสังย่อแต่มันมีสิบนะตั้กิเลสแต่ความจริงให้ตัดเฉพาะตัวหน้าตัวเดียว ถ้าเธอตัดสกาญาติถิได้อย่างหยาบก็จะเป็นวสุดาปันคําว่าสกาญาติถิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราใช่ไหมคือร่างกายที่มันเป็นเราเป็นของเราเราเป็นเจ้าของกายเพิ่ความเข้าใจผิดแต่ความจริงร่างกายที่มันไม่ใช่เราเป็นของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราร่างกายที่มีสภาพต้องทอดทิ้งไปใช่ไห่เขาใหญ่ คนตายแล้วไปเสียร่างกายไปเลยใช่ไหมว่าจะย่อแค่นี้สอนเพื่อไม่ต้องจบให้ตับสกายติถิคิดพิจารณากันวรูปรเวทนาทัญ ญ, าญยาทั้งขาวทั้งยันถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือร่างกายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราแต่ความรู้สึกอย่างหยาบเกิดขึ้นไปจําใจคือทรงตัวเป็นฌานการอย่างหยาบอย่างนี้เธอก็เป็นปะโสดาบัน ถ้าเรถามว่าในเมื่อผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องการเป็นเศรษฐกิจาคามีแค่ยังไงท่านบอกว่าทําตัวนี้แหละพิจารณาได้เลยไปไม่กิตละเอียดลงคือจิตบรรเทาจากโลภความโลภโศกความโศกโมหะความหลงะให้ตัวแรกอะให้ตัวแรกแต่หมายความทรงสินบริสุทธิ์แั้วไม่เห็นว่าร่างกายไม่เกี่ยวราไม่ของดาวเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ในเมื่อสภาพร่างกายวันตายเราต้องไปไปไหนบ้างไปอบายภูมิบ้างไปสู่สุคติบ้างเราก็เลือกเฉพาะสุคติสุคติไปได้ยังไงต้องไปได้ด้วยความดีมีความเคารพในพระเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์ก็มีศีลบริสุทธิ์ในตัวแรกนะอย่างนี้เป็นอย่างหยาบต่อไปว่าต้องการเป็นพระสกิทาคารมีเป็นยังไงถ้าบกพิจารณาตัวเดิมจิตจะมีความรู้สึกละเอียดลง คือสามารถรักษากระบอกสิทธ์ไม่ได้ครบถ้วนกระบอกสิทธมีอะไรบ้างวิ่งหนึ่งปาณาติบาทไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พพิกเฉยในการสมข้อไปทางกายทางวาจาก็ไม e, ่พูดโวตไม่พูดโกไม่พูดโดเท็จไม่พูดขังยาไม่พูดเสเกีย่ไม่พูดเพาเจ้าเหลวไหลทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรม ไม่จองล้านจองผายไกลมีความเห็นทรงตามที่เจ้าส่งสอนที่ละเอียดลงดันั้นมันเกี่ยวดเละเอีดลงแบบนี้จิตก็บรรเทาความโลภความปวดความหลงความรู้สึกน้อยโดยเฉาะเพราะอย่างยิ่งความรู้สึกน้อยเต็มที่ความโลภก็ดีความปวดก็ดีความหลงก็ดีมันเหลือน้อยมากเบามางจิตมีความสะดกมาก ต่อไปพระก็ถามว่าในเมื่อผมไม่สกิทาคามีแล้วต้องการเป็ น, นาคามีเป็นยังไงพระสารีบุตรก็บอกทาตัวเดิมนั่นแหละใ น, นที่สดจิตมันจะตัดการมมาฉันพระความพอใจในเพศปฏิฆะอารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธมันจะตัดไปได้เองในเมื่อมันตัดไปแล้วก็เป็นเบญนาคามีพระข้าก็ถามต่อไปว่าในเมื่อผมเบญนาคามีแด้ผลจะเปรียบ ก, กันเป็นยังไงพระสารีบุตรบอกทาตัวเดิมนั่นแหละก็ตัดหมด ต่อไปเข้าถึงสังขารรุปเปกขายานวางเฉยหน้าการหน้ากายทั้งหมดมันจะมีอะไรก็ตามถือ ว, ว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตไม่เป็นทุกข์ก็เป็นสาระหัถ้าก็ถามต่อไปว่าถ้าไปหันแล้วเลิกทําใช่ไหมนี่มาบทขีดเกียรติญญท่านสารีบดบอกว่าไม่ใช่เจโดยหันแล้วทำหนักขึ้นเพื่อความอยู่เป็นสมเห็นไมไม่พูดให้ฟังยังไม่ได้ยังไม่ได้แนะนําผู้ได้ฟัง วันนี้ก็ขอได้นําบรรดาท่านพุทบริษัทบอกว่าอย่าลืมอาณาปานุสติหนึ่งพราะอานาปานุสติเ น, นี่ยเป็นาการตัดอาการพุ่งไส้ของจิตจิตจะมีสมาธิและจิตจะเป็นฌานได้เพราะอาศัยอาณาปานุสติของทนคือลมหายใจเข้าออกท่าขณะใดรู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นจิตเป็นสมาธินม่บอลไม่สนใจถ้านิ่บอลกวนใจพับเราจะลืมลมหายใจทันที อะคิดเรื่องอื่นเรจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าในเมื่อ ข, อข้ามมากวรใจเราก็เผอไปข้างหนึ่งว่าต้องแพรมันพอต่อไปมันละมันละเราก็จับลงวิจัยเข้าออกใหม่อันนี้มีความสาคัญมากกรรมฐานสี่สบกองขึ้นอยู่กับลงวใจัยเข้าออกอิสานิจ้ากองนะอันนี้ต่อมามาันคืนี้ก็พูดถึงเรื่องของการภาวนาการภาวนานี้ก็ใบจากัด ในเบื้องต้นนี่ไม่จำกัดแน่เพราว่าอย่างไงก็ได้แต่พอเข้ากองกรรมฐานจริงๆนี่ต้องจำกัดก็ดแดงสี่สิบกอนี่ไม่มีคำอุนายกองเดียวก็อนาปานุปกตินอกนั้นเขามีคำอุนาประจำกองทั้งหมดน่อาจารย์เราแก่นะแต่นี้นไม่สอนถึงสอนไม่จริงเน่ยแล้ที่ต่อมาก็พูดถึงปีติ เพื่อนเอาอุปจารสมาธิอุปจาระสมาธิแล้วสมาธิเขียดชานยังไม่ถึงชาในและใกล้ชานอาการครบปีติถ้าเกิดขึ้นมันจะมีอาการห้าอย่างบางคนก็มีครบห้าอย่างบางคนก็ไม่ครบบางคนมีอย่างสองอย่างถ้าพวกวาตนาพะพุทธภูมิใกล้เข้าไปนี้มีอครบห้าอย่างพระพุทธภูมิในฐานะเป็นครูกผ่านได้หมด าสาวกกรพุ่มนี้ไม่มีความจำเป็นอาการห้าอย่างนี้ก็มีญาติโยมหลายคนเคยไถามสงสัยอยู่เสมอนัก็คือนหนึ่งคนทองถยอยงกล่าคนลูกโซ่สาสองน้าตาไหลาสามร่างกายโยกโคลโยกไปโยกมาสี่โซ่ลอยบวกกาศห้ามีการทราบการทั้งหมดนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นก็าตามอย่าสนใจ ให้ถือว่าเราทำกรรมฐานเพื่อความสุขของจิตเมื่อจิตเป็นสุขก็ใช้ได้อาการมันเป็นอย่างนั้นบ้างกายจะโยกไปโยกมาก็ตามแต่ว่าจิตจะไม่เคลื่อนจากสมาธิเพมีบีบีอื่นตัวแต่ประการอีกประการหนึ่งมันเป็นวิเศษกคือว่าเสเห็นภาพภาพจะปรากฏจะเป็นสีเขียวสีขาวสีดาสีแดงก็ช่างจะเป็นคนเป็นธรรมดาเป็นช่างเป็นม้าก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามถ้าภาพปรากฏขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของชาพ ทบบาอาจารย์เขาบอกอยาจับภาพทบมาลบอกว่าจับได้ทบ่าลาภาพหายไปอย่างสนใจในภาพก็าหายก็หายไปภาพเกิดขึ้นก็เกิดใช่ถ้าภาพเกิดขึ้นแล้วจิตจับภาพถือจิตเป็นสมาธิถ้าภาพหายไปก็ถือว่าจิตสมาธิเราเค้นไปแล้วสมาธิตกแต่ความที่ภาพทำไมหายไปไหนที่ไม่เห็นว่าจิตเราเคลื่อนไปเพราะว่า จิตเมืเข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วมันก็เข้าถึงความเป็นทิศอุปจารสมาธิเนี่ยแล้วฝึกที่กุยานเขาฝึกตรงนี้แล้วก็ต่อไปหลังจากนี้ก็พูดถึงพระธรรมมิชานแล้วก็ถึงอรหรันโนมาตื่นนะวันนี้ขอย้อนต้นก็ได้ตามท้ายไปลงที่ธรรมดาสังขารุตเปรยขา ย, ยานใช่มไหมอยู่ๆแล้วทุกคนจะกลายเป็นอรหันโนหมดในชันแย่น่ะเนี่ย ไม่มีใครหุงข้าวต่างคนต่างตายหมดเพราะอะไรไหมคร ว, ว่าถ้าเป็นพระหันแล้วตาม อ, อตามอัตกระทาจ า, าร์จะบอกว่าจะต้องนิพพานภายในเจ็ดวันแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏจริงๆเมือ่อปรหันแล้วตายในวันนั้นทุกคนคือพระพิษไม่ทันตกก็าตายเหมือนกันหมดน่เจ้าพวกนี้ตายหมดถันก็มาซอยใช้ลมใช้ๆๆ e. ไม่พบไข่ใช่ไ้ม ยย่งไปก่อนเว้นไม่คนเดียวคืออาจารย์ลัคนาจงต้องตายจะนะต้องอะไรนะฮะนะก็ประเนว่าวันนี้ขอย้อนต้นคาว่าธรรมดาเนี่ต้องมีจุดตอนต้นเอาวันนี้อาธรรมดาเล็กกันธรรมดาเล็กก็นหนึ่งสกายติธิสองวิชิกิจชาสองทิ่ได้ประตาบปรามาดฟังอี้ขึ้น ไม่รู้เรื่องเลยรย่างกายยะติถิมีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันไม่เสีเราไม่ถึงเราร่างร่างเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราอันนี้สูงไปถ้าคิดอย่างนี้สูงไปอารมณ์มันก็เหมือนกันตรไหนตอนต้นท่านไอ้ทิฏฐิว่าร่างกายนี่มันมีสภาพจะต้องตาย เขาบอกว่าโสดา on, rie, บัยนสกิทาคามีนี่ท่านบอกว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยจะมีศินบริสุทธิ์ใช่ไหมถ้ามีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามันต้องตายแน่จะตายวันนี้พรุ่งนี้หรือหื ม, ม, ม, มาเรื่อยไม่สําคัญมันยังไงก็ต้องตายแต่ก่อนที่มันยังไม่ตายเราจะคุมไว้ก่อนทุกการตายแล้วมีสติสองอย่างคือทุกสติกับสุ ข, ขติ ถ้าไปทุกขติเราก็มีแต่ความลําบากอย่างเดียวมีทุกขเวทนายอย่างเดียวก็ได้ส่วนสุขติแล้วก็มีสุสสขเป็นความสุขอย่างเดียวถ้ากำเกิดเป็นมนุษย์ก็มีทั้งสุขเราต้องววควบกันก็เป็นว่าอย่างน้อยที่สุดอย่างเลวที่สุดแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นโยดาหรือผมหรนางฟ้าเป็นต้นดีกว่าที่ฟ้าลงอภัยอยางเดีย ในเมื่อเรามีความรู้สึกไม่ต้องตายตายแล้วมันมีสภาพใบโสนแล้วก็เกาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตับวิจิกิจชาความสงสัยวิจิกิจฉารีแปลว่าสงสัยสงสัยในความดีของพระเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าธรรมพระสงฆ์นี่เราต้องคิดพร้อมกันยอมรับมาถือพร้อมกันเพราะอะไร เพราะว่าพระสงฆ์จะมีขึ้มนมาได้เราต้องอาศัยพระพุทธเจ้าแล้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีขั้นได้เขาต้อาศัยพระธรรมอย่างถูกต้องถ้าทําในความยิ่งเกิดก่อนพระพุทธเจ้านะสร้อคําคสอนพระพุทธเจ้าทุกคํานีเน่เป็นเป็นพระธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไงพระสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างไงหนึ่งวันนมันเปเกี่ยงมาค้านะไปเทศยบเดีวมาคลายฟังนิดหน่อย <Cornell>. นหนึ่งสภพพะปัสสะกันังเธอทํานหลายจงแนะนำชาวบ <affe tới> <dual. uci> <ors> ้านทั้งหมดให้ละความชั่วทุกอย่างสองกุฏิสูงก็สมัชาให้ทำแต่ความดีสามพระจิตตะประโยชน์บันลังประ่านจิตใจของสายเจคิเลศเอตังพุทธานาสาสนังทรงยืนยันว่าพระเจ้าทุกองตัดอย่างนี้เหมือนกันหมด ตอนี้เราก็มานึกถึงกฎธรรมดาของเราว่าธรรมดาของคนที่เป็นเทวดาเวนางฟ้าได้ที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ที่เป็นสุภรมได้ก็ตามจะป็ินิพพานได้ก็ตามต้องอยู่ในกฎของธรรมดาที่อยู่นเปินไปนได้นม่นคือหนึ่งอันดับแรกมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายจะมีความตายมันจะตายเมื่อไรนั้นไม่สําคัญยังไงว่าต้องตายกันแน่ประการที่สองก่อนที่เราจะตาย เราจะยอมรับนับถือพระรพุทธเจ้าและธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนไม่สงสัยในความดีของท่านถ้าสงสัยก็ย้อนไปหาหลักสูตรในการสอนหนึ่งพระเจ้าแนะนําให้ทุกคนไม่ทําความชั่วทั้งหมดส่งให้ทําแต่ความดีสามพันปีใจผ่องสใองสแจกิเลสท่นนี้การไม่ทําความชั่วมีอะไรบ้าง ความชั่วการละความชั่วก็เป็นความชั่วอย่างยอ่อไม่ใช่อยาละเอียด <c oughs> ละความชั่วอันดับแรกก็คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ใครมีความรู้สึกตามกฎธรรมดาว่าธรรมดาของคนดับสับทุกคนไม่อยากให้ใครมาเ้ิกคนชีวิตไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายชีวิตไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าใช่ไหมธรรมดามัานเป็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับทำต้องถือกฎธรรมดากเราจะไม่ทํา้ายชีวิตสัตว์หรือคน ว่าจะไม่เบียดเบียนร่างกายสัตว์นรกคนประการที่สองซั์ถึงขวกเราก็ดีพวกอื่กก็ดีไม่มีใครต้องการให้ใครขโมยในเมื่อเราไม่ต้องการให้ชาวบ้านเขาขโมยชาวบ้านเขไม่ต้องการให้เราขโมยนั้นเมื่อกดธรรมดา่างนี้เราก็เลิกขโมยเขาใช่ไหมเอ๊ะเสือมันยิ้มยิ้งขโมยใครบ้างวะเสือเนส่ยสงสัยว่าขโมยเวลาราชการ รายการมี้สามเรขึ้นเรื่ยวความรักแตระหว่างคู่คู่ของใครใครก็รักไม่ต้องการให้คู่นอกใจไม่ต้องการให้ใครนอกใจเราทำทำลายทาลายคู่เราก็ไม่แย่งความรักของคนอื่นราการนี้สี่เฉพาะศีลนะเราไม่ต้องการให้ใครใครมาพูดปดกับเราให้ธรรมดาบรรมดาคนทุกคนเหมือนกันต้องการคนพูดความเป็นจริง ตอนนี้ในมเมื่อธรรมดาของเราไม่ต้องการให้ใครมาพูดโวดกับเราเราก็ต้องไม่พูดกกับคนอื่นถ้าเราไปพูดโก ร, ร, รกับใครเราก็ผิดธรรมดาต้องรักษาธรรมดาไว้วแล้วก็ประการนี่ห้าเราไม่อยากเป็นคนบ้าชอบไว้เจ้าแก่ฮะใครชอบกินเหล้าเปล่าอย่าลืมนะคนกินเหล้าคือคนบ้านะถ้าบ้าเล็กก็กินน้อยหน่อย บ้าอย่างกลางกินมากหน่อยชาวบ้ามามากของน้อยข้างถนนนั่นแหละคือคนกินเหล้าก็คือคนบ้านั่นเองสร้างความมงนเมาขาดสติสัมปัญญะเนตามธรรมดาเราไม่อยากบ้าชาวบ้านก็มาอยากบ้าเราก็มาอยากบ้าในเมื่อเราไม่อยากบ้าเราก็ไม่กินเหล้าเมาตราเสียพอใจมากกางกินกินกินไม่กินเหล้ากินเบียก็เหมือนเหล้าเบียที่เป็นเมรันะ อย่าย่องย่องไปว่าผมกินเบียรครับเบียร์้าเป็นเมลารโซราได้เมลร์โราเมระยะมชะนะ่ตอนนี้เป็นลายเขาเลี้ยงกันจริงๆแล้วก็กินโซดาแทนมีน่ะหายกัดเกษียไปแล้วมั้งเกิดผลให้ขึ้นไมวีระไถกล้าเกษียณและไห้เขาเรียกไม่วีระไถ่บ้า คนอื่นกินเหล้าแกกินกนกินโซดาเมามากกว่าคนกินเหล้าเสียงดังกว่าเขาหลบไปกินโซดาเขาจะไม่กินเหล้านะกะ็เย <c oughs> พูดเรี่องวิรไทยบ้าไปเลย <c oughs> นั่นจะทำมดาขั้นตน้นหรือจดาของพระโสดาบันขั้นหยาบวันนี้ก็ตอนที่ไปเขาบั ด, ดาญาโยมพระตรีจัดช่วยรักษาโกธิบรรดาไว้ วันนี้วันที่เทเรยวันที่สามมีนาใช่ไหมเดินหน้ามาวันที่เทเรย์ใครจะรักษาธรรมดาข้อไหนไว้ไดในวางให้เวลาเดินนะท่าแก่นะนะหนึ่งธรรมดาข้อที่หนึ่งเราจะมีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตที่มันต้องตายแน่เราจะไม่ประมาทเมื่อกีตามยพระเจ้าทรงสั่งสอนอย่าเพศกาลี ว่าชีวิตไปของไม่เที่ยงความตายไปของเที่ยงเธยจะต้กษายความดีไว้ความดีที่พทะเจ้าทรงแนะนําก็หนึ่นนงขรับพพุทธเจ้าว่าธรรมปาเรียสง์ถ้าเราสงสัยว่าพุทธเจา้าพระธรรมปาเรียสง์ท่านดียังไงก็ดูคําสอนคําสอนพระเจา้าอยากเหนวันมึงจงจะทาความชั่วทั้งหมดสองนี้นำไปคนทําเป็นความดีสาวท่านกิติภงสายใจกินเลย นี่เป็นความดีเอาคนแลาเคารพท่านเพรานท่านแนะนำไปพนอความดีแล้วต่อไปก็รักษากฎธรรมดาธรรมดาของคนรัชช์ไม่ต้องการให้ใครทำร้ายชีวิตแั้เราไม่ต้องการทำร้ายทำร้ายร่างกายเราเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายเขาจะมีได้เพราะอะไรมีใต่สเมตตากรุณาทั้งสองอย่างปกป้ในใจ เมตตาความรักตุลาความสงสารถ้ามีอยู่ในใจก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้ทำร้ายสัตว์ไม่ได้ทำร้ายคนใมได้เหมือนกันข้อที่สองธรรมดาทรัพย์สินไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งเราก็ไม่ยื้อแย่งสัตว์สิงของเขาข้อที่สคนรักเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งเราก็ไม่ยื้อแย่งคนรักของเขาข้อที่สเราไม่ต้องการฟังคําู้สาว่าเราก็ไม่รู้สาบากขอเขาข้อที่ห้าเรไม่ต้างการาดมีอะไรอย่างไม่เดียวธรรมดาเล็ก ถ้าใครปฏิบัติธรรมดาเล็กนี้ได้ทุกคนมีหวังพระนิพพานท่านถือว่าเป็นผู้เข้าถึงเจ้าแสพระนิพพานสอวโสดาบันใช่ไจงวโสดาบันขั้นสตาสตุงตามมัญชีตามดรรดาบอกว่าขั้นสตาสตรงนี่ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ชาติ เป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าหรือเป็นปมเจ็ดชาติสลับกันนะตายมาเกิดเป็นมนุษย์ก็างเกิดไปเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าเป็นปมหนึ่งชาติแล้วก็ลงมาเป็นมนุษย์ต่างเกิดไปทราบกัแบบนี้เจ็ดชาติแล้วว่าเมื่อแท้ที่จริงแล้วคนนี้เป็นประสอดาบัญชาตินี้นนนเพราะว่าประสดาบัญได้มีอารมณ์อย่างเดียวคือต้องการนิพาน ต้องการจุดเดียวคนิภัยใครจะช่วยเป็นเสวันไป็นคนบนโลกไม่ต้องการหมดเป็นมนุษย์ไม่ต้องการแน่ไม่ทุกในเมื่อเราเป็นปรโสดาบันชาตินี้และเกือบเกือบเป็นปรโสดาบันไอเกือบเป็นปรโสดาบันในสิงเขาบริสุทธ์นะแล้วก็ไม่ลักไม่สงสัยพระธรรมพระพุะธรรมมาสองไม่กัน สุดในความตายของกันแต่ยังไม่เป็นระโสรดาบันเกือบไปถ้าว่าเกือบไปนี่เรียกโคตรภูญานผานทางคณกรรมการของสภาชาติจิตยังไม่หลุดจากโลกียะยังเกาะ อ, อยู่บ้างถ้จาจิตคล่มโลกุตระเหมือลําลางเล็กๆเท้าซ้ายยืนฝั่งนี้เท้าขวายืนฝั่งโ น, น้นเท้าซ้ายยังไม่ยกไปฝั่งโนนเพียงใดที่เรียกว่าโคตรภูญานเพื่อเป็นรมสรดาบัน เราต่างการเมืเกิดเป็นสตบานโดยนิจิจารักอนิพานอย่างยิ่งหรือไม่ต้องการเป็นมนุษย์สโลกเกิดมนุษย์สโลกเสวโลกสุดมนุษย์ต้องการนิพานอย่างเดียวในเมื่อทุกคนและบางคนก็ตามชาวสายโยกเสดนั่งมองหน้าในห้องนี้ห้องโน้มเช่นบนนเขาโยกสายได้หลายคนเขาทําได้หลายคนมีบางคนก็ยังไม่แก่เขาทาได้ แลเจ้าายาินเมื่อเราตาไ ป, ไปจากชาตินี้แล้วต่อไปไปกลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกองค์กลับดีแตความจริงมีพระพุทธเจ้าสิบองค์ไม่ใช่ห้าองค์รุ่นแรกที่หองค์มีพระเสี้ยนองสุดท้ายใช่ไหมรุ่นที่สองมีพระรามเป็นเรื่องตน้นไก่ห้าองคมีอยู่ ในเมื่อเราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ดีถ้าปฏิบัติได้ตายอย่ามากินมิวทามีสิ่งห้าประเสริฐแม้จะเกิดเป็นโสดาบันนี้ก็ไม่รบไม่รกแล้วอย่างเลวที่สุดก็ไปสวรรค์อย่างกลางก็ไปพรหมถ้าบังเอิญเวลาก็อย่าตายจิตมันจะยมร่างกายไปนิพพานมันก็ไม่แน่นอนนักไหมบังเอิญเราตายเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็ตาม ฟังแทศจากพระสิอานโดยเฉพาะอย่างยิ้เอาแค่พระสิอานก็พอเพียงแค่จบเดียวก็เป็นพระราหารันแล้วในการที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์จบพรราพุะตรบริษัท์ที่ไหนก็ตามจะมีเทวดากรานางฟ้กมากระโผ่กมามากมายและเกิดหาช่องว่างไว้ได้ในจกักรวาล ในเวลาที่พระเจ้าเทศจบข้าร้เทวดานางฟ้าผมในบรรลุมากคนมากกว่าคนพ่อใดไหมเพราะว่าเทวดานางฟ้ากับผมทั้งหมดท่านมีร่างกายเป็นทิศใช่ไหมบริษัทไปเป็นได้ใช่ไหมอินเดียคเวตราจานักขณาไปเป็นหรือเปล่าประเทศเรื่องการใช้ภาษีเกิดจากสงครามและอื่น เคยแสดงเป็นนางฟ้าเห็น่ไหมละครน่ะเพราะ่าเทวดานางฟ้าคนเนะพิ่ <c oughs> มมามีร่างกายเป็นทิพย์ในเมื่อมีร่างกายเป็นทิพย์ท่าไก็เห็นหมดความเป็นเทวดาใครอยู่ที่ไหนก็รู้เห็นผมก็เห็นกรณีเท่าจิตวางนิพานนี้เห็นนิพานด้วยกำมองลูกเบลเบลต่ำเห็นมนุษย์ถ้าเราขึ้นไปแค่สวรรค์ มองดูมันรสเลิศแมันไม่น่ากลับมาเลยมันเละเทอะไปหมดเพาสวรรค์มีแต่ความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสวยสดงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดากนางฟ้าผมนี่ไม่ไม่โปรุจาระรทั้งคณะมนตรีคือไม่้าไม่มีที้ก็เลยไม่สงบใช่ไหมมันสวยหมด เมืท่านมองมันนึกจะมีแต่มไปด้วความทุกข์มันนึกต้องทำมาหากรินมันนึกมีความแก่มันนึกมีความป่วยมันนึกมีความตายแต่เทวดาไม่มีแก่ไม่มีป่วยไม่มีหนาวไม่มีร้อนร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงเกิดวันไหนเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีทันใดแล้วต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงอย่างวัตถุสมองลึกลงไปถึงถึงสัตว์ดุริฐานจะเห็นว่าทุกข์มากมองลงไปอีกเห็นว่าส่วนกายทุกข์หนักมีเป็นความหิว พอมาเห็นเปรตมีทุกเวทนาหนักมทนรกบมีทุกหนักท่านท่านที่ตรงารนิพพานแล้วว่าเห็นทุกในความเกิดจากมนุษย์คนมนุษย์มนุษย์สัโลกเลยและยอมในโลกดูมนุษย์เป็นมก็บจภูม้องสี่แล้เมื่อได้เห็นความทุกอย่างนี้ท่านก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ต่อมาเมื่อฟังเทศเจ้าพระเจ้าเพียงแค่จบเดียวประจิตรัิที่ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมไปนิพพานกัน ในเมื่อบนุบักฝนทลกอรหันลาทุกองค์บัญญัตินเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศทุกครั้งตามพระบาลีบอกว่าในจักรวาลนี้เต็มไปหมดหาช่องว่างไม่ได้แม้แต่เพียงแค่ขนทายใหญ่ๆลงไปหาช่องว่างนี้ยังไม่ได้เลยขนเนื้อทรายนหรขนเนื้อขนเนื้ออไจากไหมขนเล็ดยินเดียวแย่ไปเพื่อหาช่องว่างแล้วไม่มีฟังเต็มหมด ถ้มาเทเจียมก็ไม่อลนมาทนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราฝึกไว้ตั้งแต่ก่อนตายกยตนีและกมีช่กลาโมเสียชิเราะอไถ้าก่อนจะตายเมื่อก่อนปราบาลีเป็รสงสัยเหมือนกันว่าเาอะไรจะเป็นอย่างนั้นสายหนึ่ง่มาจึิงเมื่อปฏิบัติแล้วจะมีความเข้าใจว่าเทวดากับกรมนางฟ้าเนี่ยมีสองพวกหพวกทงโ่เขะเรียกว่าเทวดาผ่านนางฟ้าผ่านตรผ่านผ่านในเขาแโพวกคนอื่นในรถของเขาพวกนี้เป็นเทวดานางฟ้าที่ส่นทมโดยความจำเป็น บังเอิญอะบังเอิญเป็นนิดหน่อยบังเอิญก่อนจะตายจิตนึกถึงพระพุทธเจ้านิดหนึ่งพอเป็นฌานหน่อยหนึ่ไปฟมแล้วว่าบังเอิญจิตนึกถึงก็สนิดหน่อยไปธรมาเป็นนางฟ้าพกที่เป็นผ่านโง่ตาบพวกที่เขาตั้งใจทาบุญทอโสนี่ิจริงนี่เขาจะหลาดไปัณฑิ เป็นเทวดาเป็นนางพาะเป็นงเขาบำเพ็ญกุศลต่อเขาบำเพ็ญกุศลต่อที่ไม่รอนานแค่เขารอพระศรีอานอีกประมาณสามรอปี3า0รปีเขาดาวดึงนะหนึ่งร100ปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันเาดาวดึงสามจุวันเป็นหนึ่งเดือนอีส2เดือนเป็นหนึ่งปี3า0รอปีกี่วันเอางี้ก็แล้วกัน พระศรีอานจะมาจัดในโลกนี้อีกประมาณล้านปีเสร็จๆท่านคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาบรสวรรค์ท่านดาวเลยจะมียุคไม่ทันถึง300รอปีดาวเรย์น่ามียุคไข่พันปีใช่ไหมก็อเฉพาะพระศรีอานฟังเทศครั้งเดียวก็จะไปสวรรค์บรรดาญาโยพุทธบริษัทเหมือนกันวันนี้ว่าจะพูดถึงหมดเวลาแล้วที่ต่อไปทศบรรดาญาโยพุทธบริษัททุกคนจงอย่าลืมกตธรรมดา วันนี้พระจะเตืงก่อนจะลงมาถามว่าจะสอนอะไรบอกสอนธรรมดาเล็กแล้วก็แล้วกันให้แนะนําธรรมดาเล็กคือหนึ่งไม่ลืงความตายสองไม่สงสัยในความดีพระเจ้าประทานพระอริยสงสามอยอมรับเถิานัถือกฎธรรมดานผูการราักษาศีลละคนทุกคนเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมาต้องแรงทำร้ายร่างกายของเราศีลนี้เขาแบบแบบปกติ ปกติของคนไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาลักทรัพย์ไม่ต้องการให้ใครมาแย่งแย่งคนรักไม่ต้องการคําโกหกโมเทสไม่ต้องการบ้าในเมื่อเราทําผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผิดปกติอย่างแก้วน้ําในข้อเลยเวลานิดนึ่ง <c oughs> อย่างแก้วน้ําที่ก็ขัดสวยดีแล้วใช่ไหมน้ําใสน้ํำใสำใสใสมันก็สวยนะ แต่ว่าบังเอิญถ้าแก้วร้าวไปนิดแก้วติดปกติแก้วมันดีมันก็ไมันปกติก็สวยใช่ไหมร้าวไปนี้มันดีแต่เาบังเอิญแก้วแตกเกี้ยงเลยข้อนี้เช่นใดคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าพระลาดจะสินถือว่าคนนั้นผิดโกติอรรบันดาญาโยรพระวากัจเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปสร้างใจสมาทานสินมาทานไม่กรรมฐาน